วิชาพราะองค์รับรู้จริงๆจารณะความประพฤติวิชาสามเนี่ยนะวิชาที่รู้อดีตรู้วิชารู้อดีตเรียกว่าปุเพนิวาสานุสตยานวิชาที่รู้เรียกว่าจุาตูปปารตยานหรือปัจจุบันอน า, นาคตเรียกว่าจุาตูปปารตยานวิชาที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสเรียกว่าอสวรรขย า, ยานและจารณะเนี่ยนะคือศีลอินทร์สังวรโภชเนมตันยุตาชากริยานุโยกศรัทธา ฮิริโอตัปปสุตวิริยสติสมาธิปัญญาปทมมชานทุติ ต, ติตจตุทชาเนี่ยนะทั้งนิโรสมาบัติพละสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะานพระองค์เนี่ยมีปกติกายวาจาทั้งวิชาทั้งจารณะของพระองค์เนี่ยดีเยี่ยมเลยปฏิบัติสมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีใครปฏิบัติได้สมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้ไม่มีผู้ใดจะ ต, ตาหนิพระพุทธเจ้าในเรื่องกายกรรมได้ ไม่มีผู้ใดว่าแหมพระองค์ไม่น่าตรัสคํานี้เลยด้วยวจีกรร ม, มนโนกรรมเนี่ยนะเอาเอาบัณฑิตเข้าว่านะไม่ใช่แหมคนเออเอาคนตาสมองเอางี้ดีกว่าเอาคนตาบอดมาวิจารณสีทำไมสีอันนี้ไม่ค่อยสวยเลยเอาเอาเป็นประมาณได้ไหมคนหูหนวกบอกได้บอเขามีคนเขาพูดกันคนหูหนวกบอกแหมคนนั้น่เสียงมันแหบฟังไม่ดีใช้ไม่ได้ถามว่าเอาเป็นประมาณได้ไหมเอาตาบอดวิจารรูปเอาหูหนวกวิจารเสียงเนี่ยเป็นเอาได้ไหม ชั้นใดก็ดีเนี่ยนะอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบางคนที่เป็นคนพานก็ตําหนิเหมือนกันด่าเหมือนกันเพราะอะไรพระพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่านัตถิโลเกอนินทิตโตในโลกคนที่ไม่ถูกด่าไม่ถูกนินทาไม่ถูกอะไรเนี่ยไม่มีมีหมดอ่ะเชื่อเหอะนิ่งก็ถูกด่าพูดก็ถูกด่าพูดเรียกว่าพูดน้อพูดมากก็ถูกด่าพูดพอดีพอดีก็ถูกด่าพูดน้อยก็ถูกด่าเพราะคนที่เกิดมาในโลกไม่ถูกด่าไม่มี นะเพราะว่านัตถิโลเกอานินที่โตเนี่ยนะคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกหรอกมั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีคนตําหนีไม่ใช่น้อยแต่พวกคนที่ตําหนีพระพุทธเจ้าก็คือตาบอดวิจารณรูปหูหนวกวิจารณ์เสียงจมูกเสียวิจาร์กลิน่นลิ้นจระเข้วิจารณรสอาหารเนี่ยนะจระเข้ไม่มีลิ้นหรอกก็คือลิ้นจระเข้หรือคนเป็นอมมาเพิกอมมพาตบอกแม้อันนี้นิ่มเหลือเกินเนี่ยนะออมมาเพิกหมดตัวไปแล้วเนี่ยนะออมาพาตหมดตัวไปแล้วแม้นะ นอนสบายสบายไม่ไม่ปวดไม่เมื่อยเลยเนี่ยนะไม่มีความรู้สึกหร อ, อะไรนะคือคือเอาคนกลุ่มนั้นเป็นประมาณไม่ได้เอาคนอย่างเขาบ่าเอาคนโง่ข่าววิจารณอารมณ์ได้ไหมเอาเนี่ยเอาปัญญาอ่อนวิจารณ์เรื่องแม้อะไรนะพระไตรปิฎกเนี่ยนะคนปัญญาอ่อนมาถึงว่าโอ๊ยพระไตรปิฎกนะใช้ไม่ได้แต่เราก็รู้แล้วนั้นยืนปั๊บกันนําลายไหล ย, ยืดสั่งง้อสัแ ง, ง่เนี่ยมาโอ้โหเอาเป็นประมาณไม่ได้ นี่ก็ลักษณะเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจริงๆอันนี้ต้องมองจากสายตาของบัณฑิตเนี่ยนะเพราะบัณฑิตเขาชื่นชมมากกว่าพระองค์เนี่ยนะททุกอย่างสมควรทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันสอดคล้องกันไปหมดไม่ขัดกันเองกายก็ไม่ขัดกับวาจาวาจาก็ไม่ขัดกับกายกายวาจาก็ไม่ขัดต่อใจใจก็ไม่ขัดกับกายและวาจาถามเพราะอะไร เพราะว่ากายกรรมทุกชนิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเล็งด้วยพระญาณหมดแล้วพระองค์จึงทาวจีกรรมคําพูดทุกชนิดของพระองค์เนี่ยนะพระองค์เล็งด้วยญาณด้วยปัญญาเสร็จแล้วพระองค์จึงพูดทุกความคิดที่พระพุทธเจ้าคิดคิดไปตามปัญญาปัญญาชี้ธรรมชี้นำหมดบอกว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนแสงสว่างเขาบอกว่าแสงสว่างเขาบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยแสงสว่างเหมือนหิ่งห้อยเคยเห็นง้อยสังกะพริพริพรพระโสดาบันสว่างเหมือนหิ่งห้อย อะไรภาษาภาษาคาธานีก็สว่างขึ้นกว่า น, นั้นหน่อยพระนาคานีก็สว่างกว่า น, นั้นหน่อยถ้าสุดพระราษณะสว่างเหมือนดวงประทีปน้ำมันที่จุดสว่างพระอรหันต์เช่นพระคราสาวกก็เหมือนไฟกองโตที่สว่างมากพระปเจกพระพุทธเจ้าสว่างเหมือนอะไรเหมือนดวงจันทร์พระพุทธเจ้าสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันทันดวง ถ้าดวงอาทิตย์พันดวงสว่างเนี่ยนะหนึ่งดวงสว่างกลางวันโดยที่ไร้เมฆมองเนี่ยนะถ้าพันดวงนี้จะสว่างขนาดนั้นเพราะพุทธปัญญานี่สว่างขนาดนั้นนี่พอมาเปรียบเราบอกถ้าพระโสดาบาันสว่างเท่าหิงห้อยแล้วพวกเราล่ะเขาบอดสนิทอสิเอ้าถามว่าใครเคยเห็นอริยศาสตร์บ้างไหมเอา้าวายว่าเห็นเลยวันนี้คิดถึงอริยศาสตร์กี่ครั้งเนาะเนี่ยนะ มันก็เป็นแบบอดแต่ว่าแหมนรับไม่ได้ทําใจไม่ได้นะมาหาว่าเราบอดได้ยังไงเรามีตาตาปลีบๆแล้วกลับบ้านถูกกันแล้วกันหนาเหมือนกันกลับบ้านถูกมาบอกว่าเราบอดได้ยังไงบอกบอดทางปัญญาเหมือนกมาได้บอดทางจากครูวิญญาณนะเขาไม่เคยเห็นอริยสัจเลยบอกว่าเขาเห็นคนแก่ไหมเห็นแต่ไม่เห็นอริยสัจเห็นเห็นคนตายไหมเห็นแต่ไม่เคยเห็นอริยสัจก็เห็นเอเกิดแก่เจ็บตายก็ธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เชื่อไหมพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเห็นเกิดแก่เจ็บตาย ท่านคิดอะไรท่านจึงเห็นเนี่ยนะอันนี้น่าคิดมากัทสรุปข้อ7บอกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจริงๆข้อ8พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงสิ้นสุดแห่งความดำริเกี่ยวกับอัธยาศัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์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 ไม่พระองค์นั้นเนี่ยข้ามความสงสัยได้แลถ้าสงสัยเนี่ยสงสัยอะไรสงสัยอดีตสงสัยอนาคตแล้วก็สงสัยในปัจจุบันถ้าสงสัยในอดีตเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้เนีเราเราเราหายสง ส, งสัยไหมว่าเมื่อสมมติว่ที่ตรงนี้ที่เรานั่งเนี่ยนะถ้าถอยหลังเป็นหมื่นล้านปีครั้งอดีตเนี่ย น, นั่งคืออะไรนะถ้าเราถ้าเราระลึกไม่ได้เนี่ยนะก็แปลว่าเรามีความ สงสัยหรือไม่เข้าใจมันมีสองอย่างนะนะถ้าเรียนอภิธรรมมาก็บอกว่าจิตที่ประกอบกับโมหะมีสองอย่างหนึ่งสงสัยกับสองฟุ้งซ่านถ้าเราพูดถึงอดีตปั๊บเนี่ยเราสงสัยไหมว่า <suas lies> ในอดีตตรงเนี้มีอะไรบ้างเมื่อร้อยสอง0้1ยารอสิบรอบเมื่อยี่บสาสิบล้านพันล้านปี1มื่นล้านปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้มันคืออะไรเอาถามอ่ะต่อไปอนาคตล่ะ อีกสิบยี่สิบห้าสิบร้อยพัน 0,000 ื่นแสนล้านปีข้างหน้าต่อไปสถานที่ตรงเนี้มันคืออะไรแต่ของเราปั๊บมัมึดตึบเลยนะเอ๊ไม่รู้เหมือนกันเอ๊มันจะเป็นอะไรนะวัดนี้นะสิปีข้างหน้ามันจะร้างหรือมันจะเจริญ20ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไง50สิปีข้างหน้าใครจะมาเป็นเจ้าวาดเลยนะโอ้ไม่สงสัยไปเรื่อยนะถ้าจะจะให้มันคิดไปยังไงมันก็คิดมาแล้วก็สงสัยแต่พระพุทธเจ้าไม่มีการสงสัย ถ้คิดง่ายบอกว่าถ้าหากว่าพระองค์เนี่ยมานั่งปุ๊บเนี่ยพระองค์หายใจฮึดหนึ่งเนี่ยพระองค์รับรู้หมดเลยว่าอดีต ท, ทั้งหมดที่ผ่านมามีอะไรบ้างกระาว่าหายใจยังไม่ทันเข้าออกสนิทเลยเนี่ยรู้หมดเลยว่าอนาคตต่อไปอะไรจะเกิดขึ้ น, นนะสมมติเห็นหน้าใครปั๊บเร็งเลยอดีตเมื่อล้านกลับที่แลว้วเขาเป็นใครทําอะไรมาอย่างไรอนาคตต่อไปอีกเป็นแสนล้านกลับข้างหน้าเขาจะเป็นอะไรบ้าง หมื่นล้านกลับอย่างน้อยพระพุทธเจ้าทีปังกรเห็นพระโพธิสัตว์บอกว่าคนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอีกสี่อสงไขยแสนกลับแล้วบอกด้วยนะมีพ่อชื่อนี้มีแม่ชื่อนี้เนีย่ยนะอ อ, ออกบวชตอนอายุเท่านี้ยากแบบนี้นะไปฉันอาหารตรงนั้นบรรลุตรง น, นั้นเล่าให้ฟังเลยทัทง้ทงทั้งท่าเหตุการณ์อีกสี่อสงไขยแสนกับ นพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันเฮ้ยหรือพ้องรู้เลยว่าเมื่อสอสงไขยขั้นกับที่แล้วนะมีพระพุทธเจ้าพยากรณ์เรามาอย่างนี้นะนะพระพุทธเมื่ออสงไขยที่แล้วนะอีอสงไขยที่แล้วเราได้รับพุทธพยากรณ์มาจากพระพุทธเจ้าพระนามทีปังกรอสงไขยที่สองพระพุทธเจ้ากูรัญญพยากรณ์อสงไขยที่สพระพุทธเจ้ามังคละสุมาณเรวัตสโภพิตะพยากรณ์อสงไขยที่ส มีพระพุทธเจ้าอนโนุมัติสีเป็นต้นพยากรณ์พอไล่มาเรื่อยๆมาแสนกลับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าพะระนามว่าปทุมุตระพยากรณ์เกกลับที่แล้วพระพุทธเจ้าสิทธถพยากรณ์เนี่ยนะเมื่อ92กลับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าติดสะพทสะพยากรณ์มาเมื่อ91กลับที่แล้วพระพุทธเจ้าวิปัสสีพยากรณ์เรา เมื่อ31กลับที่แล้วพระพุทธเจ้าสิขีเวสภูพยากร์ในกลับเดียวกันนี่แหละพระพุทธเจ้ากับกุสันท่โกนาขมณนะกัสสะพยากรเราผู้เนี่ยนะแล้วพยกรณ์เล่าหมดแล้วมีอะไรบ้างพระองค์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี่เล่งไปข้างหน้าหมดเลยพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็เล่งไปอดีตก็ได้หมดเล่งต่อไปข้างหน้าก็ไม่มีความสงสยยัยเนยนะแม้แต่เหตุการณ์ในปัจจุบันอย่างบอกสายตาปกติพระพุทธเจ้าเนี่ยมองเนี่ยสิกิโเมตร นนะโดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมองไม่มีอะไรปิดบงังสายตาปกติตาปัญญาเนี่ยเท่าที่ปรารถนาจะเห็นเห็นทั้งหมดเลยไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแม้แต่นิดเดียวว่างั้นเถอะไม่เคยมีท่ออะไรพ่อรู้ไปหมดียกว่าสัพพันญยู สัพพัญญูรู้สัรพสิ่งนี่เป็นอาสาธารณญาณมีเฉพาะสําหรับของพระพุทธเจ้ารานพระองค์จึงข้ามความสงสัยได้ทุกชนิดทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะไม่มีใครที่ถามปัญหาพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ตอบไม่ได้แต่มีอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ตอบปัญหาคิดแบบคนบ้าพระองค์ไม่ตอบอนะปัญหาคิดแบบคนบ้าเช่นอนะคนบ้าถามว่เออเสาเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย เสามีลูกได้ไหมถ้าเป็นเสาเป็นผู้เสานี่เป็นผู้หญิงเสานี่เป็นผู้ชายแล้วสองเสานี่จะมีลูกได้ไหมถ้าใครตอบก็คือคนเพี้ยนนะพระพุทธเจ้าปัญหาหลายกลุ่มที่เราว่าไม่ต้องตอบเพราะคิดถ้าตอบแล้วก็ไอคนที่ตอบนี่น่าจะบ้ากปล่าวย่างนั้นเถอะพระองค์ก็ไม่ตอบปัญหาประเภทนี้พระองค์ไม่ตอบแต่ถ้าเป็นปัญหาที่มีประโยชน์เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพันนิพานเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์ไม่ตอบไม่มี เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อเพื่อสิ่งที่ดีและมีสาระอันนี้พระองค์จากพยากรณ์พระองค์ก็จะตอบไปงนั้นพระองค์เนี่ยไม่มีความสงสัยและที่สุดแห่งความปรารถนาถึงที่แล้วเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยนะปรารถนาบางคนปรารถนาอย่างเช่นบางคนเนี่ยเข้ามาในศาสนาเนี่ยบางคนเนี่ยคิดคิดมันคิดไม่เหมือนกันอ่ะนะบางคนมาโอ้เด็กเข้าวัดเข้าวาเข้าบุญของเราแล้วในพวกที่หนึ่ง พวกที่แต่พวกแรกก่อนเนี่ยบอกอูไม่เข้าวัดก็ไม่เห็นจะเป็นไรพวกที่อยู่วัดจะดีนักหรือไงนะก็เลยตัวเองก็อยู่บ้านไม่ได้ของเข้าวัดละพวบกบอกบางคนบอกอู้เข้าวัดก็ดีแล้วบางพวกก็เลยมาอู้เข้าวัดแล้วรักษาศีลได้อย่างนี้ก็ได้ฟังทำบ้างก็ดีแล้วบางคนก็เลยไม่แม้เข้าวัดแล้วได้รักษาศีลเนี่ยมันดีแล้วบางคนก็เลยไปอีกแม้ถ้าได้เจริญสมถะนี่ดีนะพอแล้วสมถะก็พอแล้วบางคนนี่เลยมาบอกอู้เด็กเจริญวิปัสสนาระดับนี้ก็พอแล้ว บางคนก็เลยไปอีกทั้งสมถาวิปัสนาควบคู่กันบ่ายท่านไดเจริญได้ระดับนี้ก็พอแล้วบางคนบอกแม่ท่านเลยขนาดนี้ได้เป็นพระโสดาบันพอแล้วคนบอกถึงสกาทาคามีบอกพอแล้วบางคนเป็นพระนาคามีบอกพอแล้วบางคนขอให้มันเป็นทอาอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นแหละพอแล้ว บางคนบอกหมาต้องเป็นอัครส า, าวกบ่กถ้าเป็นเอ่อก็ไปเป็นอสีติมหาสาวกแปดสิบรูปพอแล้วได้เลิ่ระดับเนี่ยพอแล้วบางคนบอกไม่ได้ต้องเป็นอาัคารส า, าวกจริงก็พอถ้าเป็นอาัคารส า, า ว, ก ก, วา ก, ากก็พอแล้วบางคนบอกเป็นพระปเจก็พอแล้วแต่ของพระพุทธเจ้าสูงสุดในเรื่องความปรารถนาคือปรารถนาโพธิญาณปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ้นสุดจบลงที่ สัพพัญญุตยานมันไม่มีความปรารถนาใดถึงที่สุดระดับนี้ถึงที่สุดของความปรารถนาะไม่มีความปรารถนาใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับความปรารถนาเช่นนี้อีกแล้วเนี่ยที่สุดของความปรารถนาก็คือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและได้ทำสำเร็จดังที่ปรารถนามาเนี่ยนะเขาเรียกว่าถึงที่สุดแห่งความนําเรศเกี่ยวกับอัธยาศัย และพระองค์นั้นไม่มีความสงสัยในเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคอริยมรรคคือโสดาปติมรรคสกธ า, า, าคามิมรรคอานาคามิมรรคอรหัตตมรรคที่ประชุมพร้อมด้วยองค์8ข้อปฏิบัติเบื้องต้นทำยังไงจึงจะเข้าถึงมรรคผลได้เนี่ยนะพระองค์ไม่มีความสงสัยเลยในส่วนเหล่านี้ดังนั้นพระองค์จึงสามารถสอนทุกสูตรคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีรดเดียวคือ มีมุติรถรถแห่งความหลุดพน้นจากวัตถทุกข์พั้นคำสอนของพระองค์ทุกสูตรทุกคําสอนสอนเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นคําสอนทั้งหมดของพระองค์นั้นสอนเพื่อดับทุกข์มันจึงมีรถเดียวแบ่งเป็นสองคือธรรมวินยัยแบ่งเป็นสพระไตรปิฎกหรือปฐมพุทธพสัชิมพุทธพสดชิมพุทธพน์หรือว่าแบ่งเป็น5เรียกว่านิกาย5แบ่งเป็น9คําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9แบ่งเป็น4 84% 00ดโดยพระธรรมขันธ์นั้นคําสอนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจาร์เป็นเบื้องต้นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัตตะคือก็คำสอนทั้งหมดเป็นไปเพื่อสมถะและวิปัสสนานับตั้งแต่ศีลเป็นต้นมาที่พระพุทธเจ้าสอนศีลที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเช่นศีลเนี่ยเป็นไปเพื่ออวิปฏิสานอวิปฏิสานเป็นไปเพื่อปราโมทปราโมทเป็นไปเพื่อ ปีติปีติเป็นไปเพื่อปัสสัทธิปัสสัททิเป็นไปเพื่อสุขสุขเป็นไปเพื่อสมาธินี่นะสมาธิเป็นไปเพื่อยถาภูตยานัทสนะรู้เห็นตามความเป็นจริงยะถาภูตยานัทสนะเป็นไปเพื่อนิพิทาดังนั้นคำสอนของพระองค์ทั้งหมดสอนเพื่อนิพิทาคือความเบื่อหน่ายในวัตะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งคืออภินญาหมายถึงอริยมรรคเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สัมโพธายะคืออริยมรรค เป็นไปเพื่อความดับคือนินโรธอขออภัยคืออริยผลทั้งหลายเป็นไปเพื่อปรินิพพานท่านพระองค์เนี่ยวางรูปแบบวางคําสอนเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็แปลว่าท้าวส ก, ก่าท่านบอกว่าสามล้านปีมาเนี่ยนะท่านไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยระหว่างเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยนะโออายุบอกว่าพระอินตายเป็นร้อยองค์ก็พระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ยังไม่ได้เกิดเลย เพราะฉะนสามสิบล้านปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมีพระพุทธเจ้าก่อนนั้นแบบนี้มาก่อนเลยเหรนะจริงๆอท่านไม่ได้สามารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าองค์อดีตพระกัสสปะพระโกนาคมาณะพร ะ, ะกักกุสันทะเป็นต้นนะท่านเพราะท่านอายุท่านก็ขอบเขตจํากัดความรู้ของท้าสกะจริงๆก็อยู่ในขอบเขตที่จํากัดเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าท่านไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเช่นนี้มาก่อนเลยนะทีนี้ ทีนี้พูดถึงเรื่องที่ที่เอามากล่าวนี่เป็นเรื่องของใครปัญจสิกข์นักร้องเนี่ยนะเทวดานักร้องที่เอามาเล่าให้ฟังว่าเขามีการประชุมว่าเท้าสักกะคือพระอินทเล่าเรื่องนี้ในสมาคมเทวดานะสมาคมของเทวดาที่มาประชุมทั้งเทวดาชั้นจาตุมและดาวดึงมาประชุมกันและพระองค์ก็กล่าวทีนี้ เล่ากันมาว่าทวยเทพคือเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะชื่นใจบันเทิงเกิดปีติโสมนัตเป็นอย่างยิ่งเพราะฟังพระพุทธคุณตามความเป็นจริงแปดประการของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะะเทวดานี่เขาดีใจมากเลยนะที่รอบรู้พุทธคุณเพิ่มอีกได้ทั้งแปดข้อว่ากันดีใจมาก ครั้งนั้นเทวดาบางพวกก็พูดกันอย่างนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงๆหนอท่านผู้เจริญทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระองค์เนี่ยเพิงบังเกิดขึ้นในโลกและพึงแสดงธรรมเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนจำนวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจานวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แมถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างนี้อีกสี่องค์เนี่ยโลกทั้งโลกเนี่พิเศษแน่นอนไม่ธรรมดาแน่นอนจะช่วยกันสงเคราะห์เทวดาและมนุษย์แมนี่ขนาดองค์เดียวนะี่ยังขนาดนี้ถ้าสี่องค์น่าจะขนาดไหนบ้างกันอันนี้เทวดากลุ่มที่สาเอ่อครอบไปกลุ่มที่ที่หนึ่งเขาพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้กลุ่มที่สองเขบอกว่าท่านผู้นิรุตุกทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่องค์ยกไว้ก่อนคือไม่ต้องพูดถึงนะหน้าอ่ะนะ น่าอัศจรรย์จริงเนอเพื่อนทั้งหลายถ้าหาว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งเกิดขึ้นในโลกขอแค่สมองค์สมองค์นี่ก็ น, นะก็พิเศษแล้วและพระพุทธเจ้าทั้งสามองค์นั่นแหละเพิ่งแสดงธรรมเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนจํานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาพวกที่สองเขาวางเงินพวกที่สามบอกว่า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 ทนี้ท้าวส ก, กะท้าวสกา ก, ก็บอกว่าเพื่อนทั้งหลายข้อนั้นเป็นไปไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพร้อมกันสององค์พร้อมกันสามองค์พร้อมกันสี่องค์เป็นต้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเป็นไปไม่ได้จริงๆที่โลกธาตุเนี่ยนะจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดสององค์ไม่ก่อนไม่หลังกันข้อนี้เป็นไปไม่ได้ ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ฐานะคือเป็นปัจจัเป็นไปไม่ได้จริงๆเพราะอะไรเพราะโลกกธาตุทั้งหมดรองรับพระพุทธเจ้าได้ทีละองค์ไม่สามารถรองรับได้หลายองค์เหมือนกนก็บอกอ้าวพระพุทธเจ้ามีคุณมากทําไมโลกกธาตุจะรองรับไม่ได้เอางี้ดีกว่าบอกว่าในมิลินทะปัญหายกมาว่าเอาทองคําหรือเอาเพชรพลอยเป็นต้นเนี่ยนะบรรทุกเกวียนสองสอ ง, สองเกวียนเนี่ยนะเต็มที่เลยนะบอกว่าเกวียน ที่สุดของเกวียนบรรทุกได้เท่าไหร่ก็ใส่ให้มันเต็มที่เสร็จแล้วก็ขนเอารัตนะนะถ่ายเกวียนออกไปหนึ่งลำแล้วเอารัตนะสองเกวียนเนี่ยมาใส่กับอีกลำหนึ่งจะเป็นยังไงก็บอกเกวียนนั้นแตกทําลายฉันใดโลกธาตุทั้งหลายก็ไม่สามารถรองรับพระพุทธเจ้าได้ทั้งสององค์เป็นต้นไปขนาดองค์เดียวยังวันไหวขนาดนี้เหมนันน่ยหมื่นโลกธาตุวันไหวตั้งแต่อะไรปฏิสนธิในคันพระพุทธมารดานี่โลกธาตุก็หวันไหว ประสูตรโลกธาตุก็วันไหวตรัสรู้โลกธาตุก็วันไหวดับอ ะ, อะไรนะปลุงมายุสังขารโลกธาตุก็หวันไหวปริณิพานโลกธาตุก็หวันไหวขนาดองค์เดียวก็จะรองรับไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงสอง 3, องค์สองค์สี่องค์หรอกเพราะฉะนั้นเพื่อนทั้งหลายไม่ต้องไปคิดมากเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นทีสอง 3, องค์สองค์เป็นต้นเนี่ยนะเอางี้แล้วกันเพื่อนทั้งหลายโอ้หนอ เพื่อนทั้งหลายขอให้พระผู้มีพระภาคเจา้าพระองค์นั้นแหละองค์นี่แหละทรงมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคาพาธน้อยพึงทรงดํารงยืนนานสิ้นกาลนานเถิดค่อยองค์เดียวนี่หลยอายุยืนยืนเถอดสุขภาพดีอายุยืนว่างั้นข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนจํานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย องค์เดียวก็ขอให้ได้อยู่อะไรนะสุขภาพดีอายุยาวก็ช่วยคนในจํานวนมากแล้วเนี่ยนะที น, นี้ครั้งนั้นเทวดาชั้นดาวดึงที่มานั่งประชมกันที่สุธรรมสภ า, าเพื่อประโยชน์อันใดเท้ามหาราชทั้งสี่ก็พาการคิดประโยชน์อันนั้นปรึกษาประโยชน์อันนั้นคือทุกคนมาคุยกันแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์นะเรียกว่าเทพสภาเนี่ยนะมาคุยกันแต่เรื่องประโยชน์ กล่าว <G l ough> แต่คําที่ถึงประโยชน์เท้ามหาราชทั้ง4ก็ตรัสพร่ำสอนแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ในเพราะประโยชน์นั้นประทับนั่งบนอาสนะของตนของตนไม่ยอมแยกย้ายกันไปเพราะฉะนั้นกล่าวเป็นคาถาว่าเท้าเธอเหล่านั้นกล่าวแต่คําที่กล่าวแล้วรับคําพร่ำสอนเป็นผู้มีจิตผ่องใสได้ประทับบนอาสนะของตนคําว่าประโยชน์เนี่ยแบ่งมาเป็น2กรุ๊ป2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในชุดที่1มี3ข้อ ชุดที่สองก็คือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะเทวดาก็มาเน้นมาพูดถึงประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะ รั้งนั้นก็เกิดแสงสว่างอันโอลานเนี่ยนะเจิดจ้าเป็นแสงที่ปรากฏชนิดที่แสงสว่างนั้นล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเป็นขณะที่สังฆเทพสภากาลังประชุมกันมันมีแสงสว่างที่เหนือเทวดาขึ้นมาครั้งนั้นนะท้าวส ก, กะจอมเทพก็เรียกเทวดาชั้นดาวดึงมาตราดว่าเพื่อนทั้งหลายนิมิต คื อ, อทั้งหลายย่อมปรากฏแสงสว่างที่โอลานเกิดขึ้นอย่างเขี่มเจ้ารัศมีปรากฏขึ้นมาโดยประการใดพรหมก็จกปรากฏโดยประการนั้นสว่างชนิดนี้นะเพื่อนพรหมมาโลอพรหมมาพรหมมาว่าไเพราะเกิดแสงสว่างอย่างเจิดจ้ารัศมีก็ปรากฏนี้เป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตบอกว่าปรากฏการณ์เนี่ยพรหมจะมา ทีนี้เทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะท้ามหาราชทั้งสี่เป็นต้นเนี่ยก็นั่งคิดกันว่าเราเนี่ยนะนิ่งเงียบรอดูซิว่าเราจะรู้แสงนั้นผลของแสงนั้นเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วค่อยกลับยังไม่กลับไม่แสงนี่พิเศษ ย, ยังไม่ไปล้วทีนี้ทั้งหมดนั้นเมื่อฝ่เอมือฟังคํานี้แล้วเทพชั้นดาวดึงก็ทําใจให้แน่วแน่นิ่งสงบคิดว่าเราจะรู้แสงนี้ น, นะว่าผลของแสงอันนี้จะเป็นอย่างไรเรารู้ผลอันนี้แล้วค่อยกลับไป ตอนนั้นสนังกุมารพรหมปรากฏกายแก่พวกเทพชั้นดาวดึงท่านก็จำแลงอัตภาพชนิดหยาบแล้วก็ปรากฏนัคือปกติแล้วเนี่ยท่าบอกว่าผิวพันธุ์รูปร่างผิวพันธุ์โดยปกติของพรหมเนี่ยไม่ปรากฏในสายตาของเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาเนี่ยไม่มีสิทธิ์มองเห็นชั้นสูงสูงต่อไปไม่มีสิทธิ์มองเห็นเทวดาชั้นชั้นพรหมเนี่ยนะยิ่งเทวดาระดับล่างไม่เห็นพรหม เหมือนกับพวกเราก็มองอะไรนะเจ้าที่เจ้าทางยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าตาของเรามันหยาบขนาดนั้นว่าแค่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยไม่เห็นสวรรค์ชั้นสูงๆงนะมองไม่เห็นนะคือคือมันมั น, มนความละเอียดแตกต่างกันเนี่ยนะคิดง่ายๆว่าวปันคนโง่เนี่ยเข้าใจไหมว่าคนฉลาดเขาคิดอะไรไม่รู้ฉันใดรูประดับห ย, ยาบหยาบนะตาหยาบหยาบก็ไม่เห็นเรื่องละเอียดละเอียดชั้นนั้นเข้างั้นนี ตอนนั้นสุนังกุมารพร้อมก็มาปรากฏเนี่ยนะมาปรากฏสุนังกุมานพร้อมเนี่ยรู้เลยนะว่าเทวดากําลังพากันเลื่อมใสาใจของเขาทุกคนมีศรัทธากันเลยเนี่ยนะแล้วก็หายไปอนุโมทนาด้วยคาถาพระจแล้วก็อนุโมทนาว่าโอ้หนอท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงพร้อมทั้งพระอินย่อมบันเทิงไหว้ยอยู่ซึ่งตถาคตคือพร้อมนี่เขารู้นะว่าทุกคนกําลังไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ กำลังเลื่อมสายไหนพระพุทธเจ้าและความที่พระธรรมเป็นธรรมอันดีและความปฏิบัติดีของพระสงฆนะ์เทวดาเหล่านี้เขาเห็นอยู่ซึ่งพวกเทพรุ่นใหม่ผู้มีรมัศมีมีพยศประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตแล้วมาในที่นี้พวกเทพเหล่านั้นก็รุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นทั้งโดยรัศมีโดยยศและโดยอายุเนี่ยนะ โดยเฉพาะเทวดาที่เกิดมาใหม่ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินบรรลุคุณวิเศษแล้วในสวรรค์ชั้นนี้พวกเทพชั้นดาวเดืองพร้อมทั้งพระอินทร์เห็นข้อนี้แล้วต่างยินดีไหวยอยู่ซึ่งพระตถาคตและความเป็นธรรมอันดีและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเหล่าเทพพญาเจ้าทั้งหลายมาบูชาพระรตนะไตรกันอยู่เมื่อสุนังอสนังกุมารพรหมกําลังกล่าวความข้อนี้อยู่ ย่มีเสียงประกอบพร้อมด้วยองค์8ประการเสียงพรมนะบอกว่าเสียงพระพุทธเจ้าเหมือนเสียงพรมก็คือ1เสียงนี่เจีมใสเสียงสดใสว่างั้นเถอะสองเข้าใจง่ายนะก็แปลว่ากลมกล่อมฟังและเข้าใจง่าย3เป็นเสียงที่เพราะมากเนี่ยเป็นสำเนียงที่ไพเราะเป็นเสียงที่น่าฟังแล้วก็เป็นเสียงที่หยดย้อยต่อเนื่องเป็นเสียงที่ไม่พลาด เป็นเสียงที่ไม่พราดเป็นเสียงที่ลึกแล้วก็กลางวานเสียงที่ประกอบไปด้วยองคแ8ดนะนะเกิดมาเกิดมาได้ยินแต่เสียงคนแห่พูดตัเลยไม่เข้าใจว่าไอ้เสียงดีที่สุดเนี่มันเป็นยังไงทีนี้สุนังโกมานพรมก็ทําให้บริษัทเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยเสียงมันพอพูดพอพรมพูดนะับคนทุกคนเข้าใจทันทีพระพุทธเจ้าเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งว่าพ่อองค์พูดตรัดปั๊บเนี่ยคนเข้าใจอย่างที่พระองค์ประสงค์เลยเพราะพระองค์สื่อใช้เสียงที่เรียกว่าสื่อให้ให้เข้าอย่างที่เขาเข้าใจเลย แล้วเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปล่งออกปั๊บมันจะแปลเป็นภาษาที่ตัวเองถนัดที่สุดแปลโดยธรรมชาติเนี่ยนะเหมือนกรเคยนะเขาประชุมระดับโลกอะไรก็จะมีแบบต้องฟังเป็นเป็นภาษาตัวเองได้แต่นี้ก็เหมือนการพูดฐานุภาพเนี่ยทุกคนฟังเสียงพระพุทธเจ้าแล้วจะแปลมาเป็นภาษาของตัวเองทันทีทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยนะพรมก็บอกว่า ครั้งนั้นเทวดาชั้นดาวดึงได้กล่าวกับสนังกุมารพรหมสาทุดีแล้วท่านมหาพรหมพวกข้าพเจ้าพิจารณาข้อนี้แล่จึงอนุโมทนายังพระคุณของพระพุทธพระคุณตามความเป็นจริงแปประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เท้าส ก, กะจอมถวยเทพได้ผา่าเศษพวกข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงพระพุทธคุณทั้งหลายเหล่านี้จึงอนุโมทนาวันเทวดาทุกท่านที่อนุโมทนาตอนนี้อนุโมทนาในพระคุณของพระพุทธเจ้านี่ยนะ ทีนี้สนังกุมารพร้มก็ทูลคํานี้กับเท้าสกกะจอมเทพว่าสาธุจอมเทพดีแล้วแมฆข้าพเจ้าหรือหม่อมชั้นก็พึงฟังพระคุณตามที่เป็นจริงแปดประการของพระผู um ้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอยากฟังบ้างอะนะคุยอะไรกันทําไมดีใจกันหมดเลยขอฟังบ้างเท้าสกกระเล่าให้ฟังทั้งแปดข้ออย่างที่กล่าวไปแล้วทบทวนนะทบทวนหนึ่ง พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนจํานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ข้อแรกนะที่ท้าวสก่าบอกไม่เคยเห็นใครทําแบบนี้มาก่อนเลยข้อสองพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพ่งเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่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 นี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้พึงเสพนี้ไม่ควรเสพนี้เลวนี้ประณีดนี้ดำนี้ขาวนี้เปรียบด้วยสิ่งที่ดำนี้เปรียบด้วยส่วนที่ขาวแปลว่าสอนดำสอนขาวสอนอย่างมีอุปมาอุปไมยและเข้าใจได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะข้อสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสําหรับเพื่อนําไปถึงพระนิพพานแก่พระสาวกทั้งหลายทั้งพระนิพพานและข้อปฏิบัติก็กลมกลืนกันเป็นอย่างดี เปรียบเหมือนแม่น้ำจากแม่น้ำคงคาและแม่น้ำจากแม่น้ำยมุนาย่อมกลมกลืนเข้ากันอย่างเรียบร้อย น, นะมาว่าสีก็เข้ากันกลิ่นก็เข้ากันฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสําหรับให้ถึงพระนิพพานแก่สาวกทั้งหลายทั้งพระนิพพานและข้อปฏิบัติก็กลมกลืนกันเป็นอย่างดีฉันนั้นนะ ข้อ๔ข้อ๕พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะได้พระเสขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาในศิกขาสามและพระขีณาสพผู้สำเร็จการศึกษาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะเป็นสหายแต่ท่านก็ไม่มีฉันทราคะติดพันในท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มุ่งมั่นดำรงอยู่ด้วยการปฏิบัติที่เป็นกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกเนี่ยนะข้อ๕ข้อ๖ลาบ พระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาบอย่างยิ่งชื่อเสียงก็ดังอย่างยิ่งสำเร็จในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทั้งหมดเนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนกับกษัตริย์รูปงามเป็นที่ชื่นชมเป็นที่น่ารักของเหล่าประสงค์นิกรทั้งหลายฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ปราศจากความเมา ด้วยอำนาจตันหาเป็นต้นในอาหารก็คือหมายว่าไม่มีฉันทราคาในเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยในอาหารและยารักษาโรคไม่มีฉันทราคะตันหาแปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำไมเขาจึงนิยมเอาดอกบัวเป็นพุทธบูชาเพราะเขาถือว่าดอกบัวนั้นเจริญในโลกเติบโตในเข้าไปดอกบัวนั้นเจริญในน้าอาศัยน้าและโคลนต้มดอกบัวก็เจริญ อยู่ในน้ําเสียได้พ้นจากน้ําแล้วไม่เปื้อนด้วยน้ําฉันใดพระพุทธเจ้าก็เกิดในโลกจเจริญเติบโตในโลกพระองค์ก็ไม่เปื้อนในโลกด้วยอํานาจตันหาฉันนั้นเพราะอะไรเพราะพระองค์ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อทําที่สุดแห่งโลกเพราะว่าโลกพระองค์ ก, งก็กําหนดรู้แล้วโลกกัสสุ ท, ทยัยพระองค์ก็ละแล้วโลกกานิโรธพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วโลกะนิโรทคามิหนีปฏิปทาพระองค์ก็ปฏิบัติจนสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะ มันก็ไม่เคยไม่เคยพบเห็นผู้ใดเป็นอย่างนี้มาก่อนข้อเจบอกว่าพระองค์มีปกติตรัสอย่างไรก็ทําอย่างนั้นทําอย่างไรก็มีปกติตรัสอย่างนั้นทําอย่างที่ปฏิบัติปฏิบัติอย่างที่เอาเข้าไปปฏิบัติอย่างที่พูดพูดอย่างที่ปฏิบัตินั่นแหละจะนะเป็นศาสดาที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจริงจริงแบั้น ข้อ8พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้ามความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยไม่มีส่วนเหลือสิ้นสุดเกี่ยวกับเรื่องความปรารถนาทั้งหมดแล้วบรรดาความปรารถนาสุดยอดของคนที่ตั้งความปรารถนาที่ใหญ่จริงๆและทําจนสําเร็จสมความปรารถนาและสามารถบอกสอนข้อปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นแห่งอรยิยมรรคเนี่ยนะพันแล้วก็ไม่เคยเห็นพระ บุคคลเช่นนี้มาเลยในอดีตจวบจนปัจจุบันตั้งแต่พุสูตเนี่ยเพราะพระเท้าสกกะตรัสมา 2,600 ปีเนี่ยนะบอกว่าตั้งแต่ น, นั้นมาเราก็ไม่เคยได้ยินมาเลยใช่ไหมและต่อไปก็ยากนันะ่นแหะรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าค่าเท้าสกกะเล่าพระคุณตามเป็นจริงเหล่านี้ให้สนังกุมารพรมฟังเอ่อฟังซ้าอีกรอบหนึ่ง เพราะเหตุ น, นั้นแหละเล่ากันมาว่าสนังกุมารพรมเนี่ยชื่นใจมากนี่ยพรเนี่ ย, ยดีใจมากเลยนะได้ฟังพระคุณตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าบันเทิงเกิดปีติโสมนัสเมื่อได้ฟังพระคุณตามที่เป็นจริงแต่ประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พรมยังอนุโมทนาหวังเถิดเทวดาก็อนุโมทนาพรมก็อนุโมทนาถึงพระคุณตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ ย, ยจากพระธรรมที่ได้กล่าวแล้วนี้ก็หวังไว้ว่า นะว่าเราทั้งหลายก็คงมีใจผ่องใสมีใจเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะมันก็ขอให้ศรัท ธ, ธาที่เจริญแล้วนี้จงเป็นเป็นศรัท ธ, ธาที่เป็นบาตรฐานแห่งโสตาปฏิยังฆะธรรมเป็นศรัท ธ, ธาที่เป็นบาตรแห่งการคบสรรัตว์บุตรฟังธรรมของสัตว์บุษคือคบพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลกุตระธรรมตาม พระพุทธเจ้ามันขอศรัท ธ, ธาอันนี้เนี่ยนะเป็นศรัทธาสัททินสีเป็นศรัท ธ, ธาภละเป็นศรัธธทะะ ธ, ธาที่เป็นไปเพื่ อ, อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานขอศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา จ, จงเจริญแก่ญาติโยมตลอดไปเนี่ยนะขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ทําแล้วนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายโดยประการทั้งปวง ขอบนกุศลเหล่านี้ให้เจริญงอกงามในศาสนาของภาษาสดายิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปนนะนสำหรับที่โยมเกียรติถามเมื่อกี้ที่บอกว่าฟังธรรมเนี่ยนะบรรลุเป็นต้นได้ไหมบอกว่าในพุทธศาสนาฟังบรรลุมากกว่าปฏิบัติบรรลุฟังเนี่ยนะบรรลุมากกว่าไปปฏิบัติเอง นะทั้งๆสมัยพุทธกาลอย่างเช่นนะเคยได้ยินไหมว่าผูไปปฏิบัติเองแล้วบรรลุทีละหมื่นทีละแสนบอกไม่มีแต่ถ้าฟังเทศหนึ่งกันแล้วบรรลุเป็นล้านมีเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังแล้วบรรลุเนี่ยนะมากกว่าผู้ที่ไปทำเองแล้วบรรลุเนี่ยนะนสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผู้ที่ฟังทำเนี่ยนะการฟังทำนั้น มีอา น, นิสงส์อย่างไรในโสตานุคตะสูตรอังคุตรนิกายจตุการณีบาศกล่าวถึงอา น, นิสงส์แห่งการฟังธรรมว่าถ้าฟังธรรมย่านครอบรู้เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการถ้าชาตินี้ไม่ได้บรรลุเป็นปุถุชนตายชาติหน้าบรรลุเร็วเช่นว่าชาตินี้ที่ไม่ได้บรรลุอาจจะมีเครื่องขัดขวางบางอย่างแต่ถ้าไปเกิดชาติหน้าไปแล้วเนี่ยนะบุญขุศลคุณงามความดีสติปัญญาที่นําเกิดในชาติหน้า เป็นบุญกุศลจิตที่มีคุณภาพพื้นเพ ข, ของความคิดที่นำเกิดเนี่ยคุณภาพสูงอาหารส ป, ปายะโอโตส ป, ปายะไม่มีปัญหาเรื่องร่างกายนั้นเทวดาไม่มีปวดมีเมื่อยอะไรเป็นต้นนั้นฟังธรรมเนี่ยชื่นใจอย่างเดียวไม่ต้องแพรกซ้ายปริขวาพริกหน้าพริหลังเมื่อไรจะดูนาฬิกาไปเรื่อยเนี่ยไม่มี นะเพราะทุกคนสุขภาพแข็งแรงสดใสดีไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นบาทว่าเมื่อสุขภาพดีร่างกายเด่รนระลึกถึงความหลังคำสอนที่ศึกษาไว้เป็นอย่างดีบรรลุได้เลยในข้อหนึ่งข้อที่สองถ้าไม่บรรลุเพราะพิจารณาเองบรรลุข้อสองจะมีพระที่มีบุญมีฤทธิ์เนี่ยนะไปแสดงธรรมเช่นพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านขึ้นไปแสดงธรรมที่สวรรค์เทวดาก็บรรลุได้ หรือพระพุทธเจ้าไปแสดงก็บรุได้นี่เป็นข้อ2ข้อสถ้าไม่มีดังที่กล่าวไปแล้วเทวดาเขาแสดงกันก็มีเทวดาบรลลุเทวดาแสดงธรรมก็มีเทวดาบรรลุอันนี้เป็นข้อสข้อ4เพื่อนเก่าเนี่ยนะที่เรียนธรรมะเรียนอริยสัจมาด้วยการเป็นไงเพื่อนยังทิ้งธรรมะไม่เป็นต้ตนเตือนกันนะก็สามารถบรรลุได้ มันผู้ที่นั้นเป็นอันนี้สองโคงการฟังทำอย่างที่กล่าวว่าการฟังก็จะทาไม่ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งที่ฟังแล้วก็เข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปตัดความสงสัยและที่สำคัญเมื่อฟังแล้วใจก็ผ่องใสนิวรอนเป็นต้นไม่กลุมรุมเนี่ยนะมันก็เป็นจิตที่เบาอ่อนควรแก่การงานเป็นจิตควรแก่การย้อมเป็นจิตที่ควรแก่การรู้เห็นอริยสัจนั้นการฟังธรรมนั้นจึงเป็น มงคลเพราะอ น, นั้นอนิสง์แห่งการฟังธรรมที่ได้ฟังมาอย่างต่อเนื่องนี้ขอให้เป็นมงคลนนะให้เป็นเหตุแห่งความเจริญให้ประสบแต่มงคลทั้งตลอดไปนะให้เจริญด้วยมงคลทั้ง38ประการตลอดไปวันนี้ก็คงสมควรกับเวลาแล้วเนาะ